โปรดอ่านตรงนี้ก่อนคนเราหายใจเข้าออกกันจนเคยชินไม่หยุดหายใจแม้ขณะเผลอเมอหรือหลับไหลไร้สติไม่หยุดหายใจแม้ขณะผิดหวังรุนแรงกับโลกภายนอกและไม่หยุดหายใจแม้ขณะกำลังตั้งหน้าตั้งตาสแสวงวิธียุติทุกข์ด้วยทางลัดตัดช่องน้อยแต่พอตัวแม้อาการร้องให้ใจจะขาดก็ต้องอาศัยลมหายใจในการช่วยร้อง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 กี่คนที่วาสนาดีพอจะมีโอกาสรับฟังความจริงว่าตรับใดยังถือครองลมหายใจมนุษย์ตรับนั้นเราอาศัยลมหายใจนั่นเองเป็นบันไดขั้นแรกขั้นกลางและขั้นท้ายเพื่อส่งให้ก้าวขึ้นคว้าประโยชน์ขั้นสูงที่สุดในโลกได้ภายในเวลาเจเดือนพระพุทธเจ้าสิ้นพระชนเสเด็จดับขันทัปริิพา น, นานแล้วพระกัชกายขององค์ท่านจากพวกเราไปแล้ว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 เรายังเป่าประกาศยังเป็นกระบอกเสียงแทนพระศาสดาได้หากถามท่านในวันนี้ก็เชื่อเถิดว่าท่านจะยังตรัสเช่นเดิมดังปรากฏในตอนท้ายของมหาสติปทานสูตรคือใครก็ตามที่เจริญสติปทานทั้งสี่นี้อย่างต่อเนื่องเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปทานเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามี ภายในเวลา7ปีหรือ6ปีหรือห้าปีหรือ4ี่ปีหรือ3ปีหรือสองปีหรือ1ปีหรือ7เดือนหรือหเดือนหรือหเดือนหรือสเดือนหรือสมเดือนหรือ2เดือนหรือ1เดือนหรือสิบ้าวันหรือเจวันสรุปโดยคร่าวผู้เป็นต้นตำรับวิธีบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นให้การรับรองว่า คนบารมีมากใช้เวลาเจ็ดวันบารมีอย่างกลางใช้เวลาเจ็ดเดือนบารมีอย่างอ่อนใช้เวลาเจ็ดปีไม่ต้องใช้เวลากันนานทั้งชาติแต่อย่างใดต่อให้ใครที่หลงนึกว่าตัวเองบุญน้อยกิเลสหนาปัญญาหยาบขอเพียงมีกาลังและความตั้งใจจริงเจริญสติปัฏฐานสให้ได้เจ็ดปีอย่างน้อยต้องบรรลุมรรคผลแน่นอน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 แม้ยังมีชนกลุ่มน้อยเข้าเฝ้าพระศาสดาผ่านพุทธวจนะและเกิดศรัทธาปสาทะเชื่อถือเลื่อมใสว่ายังเป็นไปได้จริงในปัจจุบันกับทั้งฮึกเหิมพอจะลงมือพิสูจน์ให้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วไม่สนเสียงบ่นทอนกำลังใจรอบข้างแล้วก็อุตสาห์เกิดปัญหาตามมาอีกจนได้นั่นคือคาถามคาใจว่าสติปัฏฐานสี่คืออะไร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 รวมทั้งอยากปลงใจเชื่อมั่นได้สนิทแบบเดียวกับผู้อ่านนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับฟังคำถามคาใจของชาวพุทธจำนวนหนึ่งซึ่งเหมือนกัน ร, ราวถอดออกมาจากพิมพ์เดียวคือสงสัยว่าเพื่อปฏิบัติให้ถึงมักถึงผลนั้นชาติเดียวทันไหมบารมีพอไหมปัญญาไหวไหมถ้าเพียงเปลี่ยนคำเพียงเล็กน้อยจดของชีวิตจะต่างไป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 ทั้งในอดีตและปัจจุบันแทนการทึกทักว่าปัญญาค่านี้คงไม่เพียงพอเป็นแน่หากยังไม่ปรงใจสนิทก็อาจเพิ่มปัใจจัยให้เห็นเขาเงาคำตอบชัดเจนถึงที่สุดคือเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาศรัทธาสติปัฏฐานสมีใจอุทิศตัวจะสำเร็จไหมเริ่มตั้งคำถามกันอย่างนี้หนทางจะได้ดูสว่างสวัยขึ้นและคาตอบ จะไม่ลอยมาตามลมหรือไม่ผุดขึ้นจากความคาดเดาคเนเองใดๆเพราะพระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งแทงตลอดเยี่ยงสัพพันยูเจ้าทั้งหลายรับรองไว้หนักแน่นว่าถ้าทำจริงต่อให้บารมีน้อยเท่าน้อยก็ต้องถึงที่สุดได้ในเจ็ปีทุกอักษรในหนังสือเล่มนี้ยืนอยู่บนฐานเดียวกับวิธีตั้งคาถามหามรรคผลดังกล่าวหนังสือเล่มนี้จะได้แสดงตามลาดับตั้งแต่เดือนแรก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 คนที่จะอ่านสนุกได้คงต้องมีพื้นฐานภาคทฤษฎีและปฏิบัติมากแล้วผู้เขียนจึงตัดสินใจชะลอการออกหนังสือมหาสติปฐานสูตรเล่มจบไว้ชั่วคราวแล้วขั้นกลางด้วยหนังสืออ่านง่ายสบายตาทั้งสำหรับมือใหม่และมือเก่าใช้ภาษาเชิงพรรณนาให้เห็นภาพมากขึ้นรวมทั้งอ้างอิงพุทธพจน์เฉพาะจุดที่จาเป็นรวมแล้วเนื้อหาก็คือการผนวกเอามหาสติปทานสูตรเล่มแรกกับเล่มจบ ไว้อย่างย่นย่อกระทัดรัตนั่นเองเชื่อว่าถ้าทำความเข้าใจกับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จบก็จะสามารถย้อนกลับไปอ่านมหาสติปทานสูตรด้วยความเข้าอกเข้าใจชัดเจนขึ้นผู้เขียนเข้าใจดีว่าหนังสือธรรมปฏิบัติที่อ่านง่ายที่สุดต้องใช้ประโยคและถ้อยคำบอกเล่าอันเป็นประสบการณ์สามันล้วนๆแต่ความจริงคือถ้าไม่มีศัพท์บัญญัติให้เรียกขานบ้างเลย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 พบพุทธศาสนาศรัท ธ, ธาสติปทานสมีใจอุทิศตัวจะสำเร็จประโยชน์สูงสุดได้หรือไม่ขอให้อ น, นิสงส์จากการเขียนจงได้แก่ผู้ที่มีโอกาสอ่านทุกท่านเทินดังตรินตุลาคม2546